แต่ละวันแต่ถึงจะไม่มากก็มีผู้ถวายหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อจะเก็บปัจจัยเหล่านั้นไปไหวที่ไหนนาะหลวงพ่อจะใช้เงินเป็นหรือเปล่าฮะลูกหลานบางคนอาจจะเป็นทุกเป็นร้อนกับหลวงพ่ออีกต่างหากกลัวหลวงพ่อใช้เงินไม่เป็นฮะเพราะนั้นหลวงพ่อจะแจ้งข่าวที่หลวงพ่อใช้เงินให้ลูกหลานได้ทราบนะเอาเมื่อวานนี่เราก่อนนะเมื่อวานเนี่ยโรงเรียนยูงทองพิทยาคม ก่อนหน้านี้ในช่วงพรรษาทอดผ้าป่าหลวงพ่อไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ก็หาทุนเพื่อซื้อรถ เ, อเพราะว่าโรงเรียนใช้รถโคโลกลสอส่งรถสองแถวไม่ใช่รถหรูหราโออาเนี่ยแหละรถบันนอกแต่ก็ซื้อรถเก่ารถมือสองจะโอนเข้าเป็นของรัฐบาลก็ไม่ได้เพราะมันรถเก่าแต่นี้ก็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 พวกเราวัดของเราสมทบเข้าไป 429,048 บาทนะหลวงพ่อก็จะจัดการแต่เมื่อวานวันก่อนก็ไปไประชุมเกี่ยวกับเจดีของหลวงพ่อคูณสุเมโธอำเภอบ้านผือนั้นก็ขาดเงินอยู่5ล้านแต่ก็รวมกันในวันนั้นวัดของเราก็ได้เสียสละออกไปอีก2 0งแสนแล้วก็โยม เสียต้อมมาสมทบเข้ามาอีกสองแสนห้าเราก็ได้โอนเข้าบัญชีเพื่อสร้างเจดีเมื่อวานเนี่ยสี่แสนห้าหมืนอันนี้ก็อันนี้ก็นน ค, คือการทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสน า, าก่อนหน้านี้ที่พวกเราไปจัดงานศดีละของหลวงปู่จามมหาปุญโยอันนั้นไปว่าวัดของเราเนี่ยกระเป๋าฉีกแล้วนะจัทธาญ า, าติโยมไม่รู้อะไรแต่ไม่อะไร จนงานหลวงปู่สาเร็จร่วร่งไปด้วยดีหมดไปหลายเงินเดียวหลวงพ่อก็เลยไม่อยากจะคิดมันอีกต่างหากในค่าใช้ใจ่ายพ่อถึอยังไงก็เป็นการบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระคุณของท่านเหลือลน้นคารนาเรื่องปัจจัยของเราน่ยจิจ้อยนะเรื่องปัจจัยที่ได้มาของเราเน่ยจิบจ้อยแต่พระคุณของท่านน่มหาศาล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 มีมากก็ใชน้อมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยอยู่แบบส ม, มถะอยู่อย่างพระถ้าอยู่อย่างพระอย่างหลวงพ่อนี่สบายไปอีกอย่างนะแต่คณะพวกเราสัายาิโยมทั้งหลายจะอยู่จะใช้แบบพระนี่ก็คงไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยตนเองต้องขยันให้รู้จกักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้นี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงนะ เศรษฐกิจพอเพียงคือให้รู้จักหาหจากขี้เกียจในการหาหาในทางสุดจริตทำไงสุดจริตอย่าไปคดอย่าไปโกงอย่าไปป้นอย่าไปวิ่งอย่าไปเปียดไปบังอย่าไปขอรับชั่นให้ซื่อสัตย์สุดจริตในการหาในหาเงินได้แล้วให้รู้จักเก็บเป็นบางส่วนแล้วก็ให้รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ใช้ไม่เป็นก็เสียหายนะทําให้เดือดร้อนตอนเองเหมือนกันเพราเหตุไรเพราะได้เงินมาม า, มากๆพอได้เงินมาแล้วหาด้วยความยากลําบากมาแล้วนะเนี่ยพอได้เงินมาแล้วนะี่ยไปหาซื้อคัญชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายามาม า, มาเสพมากินได้เงินมาแล้วทําให้ตัวเองติดคุกติดตารางไปอีกเพราะใช้ไม่เป็นมากกว่านั้นกว่านั้นอนะ่ะได้เงินมาแล้วกับ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 ตัดไว้ถึงสองพันกว่าปีถ้าเรานำมาคิดดูแล้วก็จริงทุกประการท่านก็เปรียบเทียบในครั้งพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเรื่องพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีถูกนางมาคันธิยาให้อ า, าของตนเองมาเผาปราศราัตนางสามาวดีเป็นอครมเหสีของพระเจ้าอุเทน แต่กรมอคมเหสี ส, สองอิดฉ้ากันพระเนสูรก็เลยเผาป่าจาราจมนเทียนของพระเจ้าของนางสามาวดีไม่มอดวายไปหมดทั้งบริวารก็ตายทั้ง5้ารออีกต่างหากพระสงฆ์ท้งหลายได้กราบทูลพระพุทธเจ้าพระนางสามาวดีเป็นพระโสดาบันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า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 ท่านดูแลพระปเจกพุทธเจ้า8ดองค์ที่เข้ามาฉันให้เวียงวางเป็นประจำํำจากนั้นพอออกพรรษาแล้วพระปเจกพุทธเจ้ากา็ลาลาพระเจ้าแผ่นดินไปกลับไปอยู่ตามที่พระปเจกพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าหิมพานจากนั้นมีพระปเจกอ ง, องค์หนึ่งใน8องค์นั้น ท่านก็เห็นว่าในภูเขาเรานะ่าคงจะหนาวเขาบางท่านคงจะมาเข้าไปเข้านิโรธสมาบัติอยู่ในฝั่งแม่น้ำและคงจะเป็นกอไผ่หรือว่าเป็นพงหญ้านะเป็นทีม่มืดคืมพระริเศษพระพุทธเจ้าก็เข้าไปเข้านิโรธสมาบัติตรงนั้นแหละท่านก็ตั้งเจตทิฐาน ดูเจ็วันน่ยคือพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยท่านท่านจะตังง้งจิตอธิษฐานมากร่างกายของเราอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าได้มีอะไรเสียหายคือตั้งจิตอธิษฐานคล้ายๆว่าพระประเจกพุทธเจ้าท่านไปหาที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยแล้วก็ท่านเข้าไปเอ า, เ, อาเอารถไปจอดไว้ลักษณะอย่างนั้นนะถ้าเราเปรียบเทียบไม่เห็นอย่างชัดๆเลย คือเอารถไปจอดไว้ในที่ปลอดภัยพอปลอดภัยเสร็จแล้วพระพะเจก็เดินออกจากรถเข้าไปสู่สวยวิมุตติสุขคือเข้าสูนิพพานอันนี้เราว่าอุปาทิเสสนิพพานนิพพานยังมีชีวิตอยู่แต่ยังไม่ตายยังไม่มรณภาพร่างกายยังอยู่แต่พระองค์ท่านเข้าสูนิพพานเนว่าอุปาทิเสสนิพพานร่างกายยังมีอยู่แต่เข้าสู่สวยความสุขคือนิพพาน อนุปาทิเสสนิพานคือนิพานคือร่างกายตายตายแตกอย่างว่าท่านมรณาภาพตายไปจากนั้นก็เข้าสู่นิพานอันนี้ว่าอนุปาทิเสสนิพานอุปาทิเสสนิพานก็คือนิพานอยังสงาธาตขันอยู่เอารถไปจอดไว้ก็ออกจากรถไปเข้าสู่นิพานสวยวิมุติสุข พระเจ้ทั้งเขาเข้านิโรธจำมาบัดกับลักษณะอย่างนั้นนะท่านไปจอดเครื่องไว้ใ น, ในที่ปลอดภัยแต่ทีนี้อคคมเหสีของพระเจ้าพรมทัดกับพระเจ้าพมทัตนะเมื่อหมดภารกิจแล้วท่างก็ในการดูแลพระเจกพุทธเจ้าแล้วทงานก็มาอาบน้ำในแม่น้ำํำพออาบน้าในแม่น้ําสนุกสนานเขาก็คงจะกันไว้พวกทหารตำรวจเขาคงจะกันไว้นี่ย ให้เป็นที่เล่นน้ำของอัคคมเหห์สีรพกสนมนารีเนี่ยเป็นทั้งสี500นะ่ห้าร้อยเนี่ยพออาบน้ำเสร็จก็นหนาวลลยทีเนะี่ยฝนลงแม่น้ำหนาวขึ้นมามองไปมองมาเขาเห็นกอไผ่เรียกว่าพงหญ้าที่มันตายขุยนะใช่มมันพงหญ้าจากนั้นก็จุดไฟเผาเพื่อฝิงไฟนะแต่นี้เขาก็ไม่ได้เห็นว่าเพราะพระประเจกอยู่ที่นั่นท่านเะน่ พระปเจก็อยู่ใ น, ในพงหญ้าน่ะเพราะจุดท่านียไฟเผาท่าไฟเผาแล้วก็เพียงไฟกันพอไฟยกลงไปไปเห็นพรอประเจกนั่งเนี่แหละคือว่าพ่ะประเจกเนี่ยถึงจะไฟไหม้ก็ไหม้ไ ม, ไ ม, ไม่เพราะท่านตั้งจิตนิฐานโดยอิทธิฤทธิ์ของท่านท่านก็นั่งอยู่อยู่ธรรมดาอันนี้คือไม่เจตนาพอเห็นไม่เจตโอ้โหตายพรอประเจ ก, เ พ, เจกพุทธเจ้าท่าน เป็นที่เคารพของพระเจ้าแผ่นดินถ้าท่านรู้ว่าพวกเราเอาไฟเผาพระประเจกพุทธเจ้าอย่างนี้แหละเมื่อรู้ถึงพระเนตรพระกันพระเจ้าพมท้าท์เข้าตายแต่ตายแล้วพวกเรานะเนี่ยพวกเราก็คงจะโทษขนาดหนักเพดเผาพระประเจกเนะี่ยเอาเถอะพวกเราหาฟื้นมาอีกอคนทั้งห้าร้อยใช่ไหมใครเห็นที่ไหนฟื้นอยู่ในละแวกนั้นก็ขนเข้ามากับ โยโนเขามาสมใหญ่เลยท่เพื่อให้ไหมพระปฏิเจกพุทธเจ้าใช่พอสมเข้าไปแล้วก็ต่างคนก็ต่างกลับเพียงวังแหละนเพอกลับไปพระปฏิเจกพุทธเจ้าอย่างที่ได้พูดเบื้องต้นว่าถึงใครจะทอนทุบอะไรก็ตามร่างกายพระปฏิเจกพุทธเจ้าจะไม่มีการลักลายผิวเลยอันนี้โดยอิทธิฤทธิ์โดยบุญบา ร, รมีหรือว่าด้วยจิตอธิษฐานของพระปฏิเจกพุทธเจ้า จากนั้นพอนางบุรหล่นั้นกลับไปแล้วก็พระประเจก็พอถึงกำหนดเจวันพระประเจก็ลุกขึ้นมาสบัดผ้าจีวร อ, ออกแล้วท่านก็เดินตามปกติไม่มีอะไรที่จะลขะายและเคืองผิวของท่านเลยแมย้แต่น้อยเดียวอันนี้คืออำนาจอิทธิฤทธิ์ของพระประเจกพุทธทเจ้าแต่บาปกรรมตอนนั้นนะสิท่นี่นางที่เป็นหัวหน้า ออกจากชาตินั้นเราก็ลงไปลสู่อเวจีมหานรกถิ่นเอแล้วก็ บ, บริวานก็นตกนรกไปด้วยแล้วก็ถูกเผาไฟไปด้วยพอมาเกิดพบนี้ชาตินี้นางสามาวดีเป็นอัคคคิเมเหสีของพระเจ้าอุเทนที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าที่นางนกหดจดีลิงนี่แหละพระเจ้าอุเทนองนี้แหละาจากนั้นก็นถูกเผาในปราศาสตรทั้งบริวานทั้งห้าร้อย เพราะว่ากรรมคือการกระทําได้เผาพราะประเจกพุทธเจ้าที่ฝั่งแม่น้ําแต่ตามไม่จริงทีแรกไม่เจตนาการไม่เจตนาเนี่ยไม่เป็นบาปอเมื่อเผาเสร็จแล้วเห็นพระประเจศนั่งอยู่โอ้ขอโทษขออภัยอแล้วดูท่านแล้วก็เป็นยังไงแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยเพื่อเผาให้ไหม้ไปเลยเนี่แหละบาปกรรมตัวที่สองเนี่ยมันหนัก นี่แหละอันนี้พระพุทธองค์ท่านบอกว่านางสามมาวดีที่ถูกเผาเนะเพราะว่าสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทำไว้ในอดีตเนะี่ยนี่แหละกรรมได้หลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเน้นไว้อยู่เสมอกรรมชั่วอย่าทาเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังจากนั้นพระสงฆ์ท่านก็ได้ถามว่านาง ลูกน้องของนางสามาวดีเนี่ยเป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกแต่ร่างกายค่อมและก็ได้สำเร็จพระโสดาบันและทำไมยังมาเป็นคนใช้คนรับใช้ของนางสามาวดีพราะพทธองค์บอกว่ากรรมกรรมคือการกระทำของนางนางคุชชะชุตตาคุชชะ ช, ช, ชุตตา เป็นคนใช้ของนางซามาวดีพระสง์ก็ถามว่ามันกรรมอะไรพระเจ้าข่าพระองค์บอกว่านางนี่เป็นคนค่อมคือคนหลังค่อมคือพระประเจกพุทเจ้ า, จามามาฉันในตระกูลแต่พระประเจกหลังค่อมนางนี่ก็เลยเมื่อพระประเจกยังมาไม่ถึงนางก็เอ า, าผ้ากำพลคุมตัวแล้วก็ทำเหมือนกับพระประเจกหลังข่อม นางพระประเจกของเราพระผู้เป็นเจ้าของเราหลังค้อมอย่างนี้นะ ก, หกน็หัวเลาะกันฮะหัวเลาะเยาะกันเกิดมาพบใรชาติใดนางก็เลยเป็นคนหลังค้อมมาตลอดนั่นแนหะพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปทํานะอย่าไปล้อเลียนนะกับกองไฟคือผู้มีบุญบรารมีแต่ทําทคนธรรมดาก็ไม่เป็นไรแต่ทําทกับพระประเจกพุทธเจ้าหรือพระทหารแตสาวกเนี่ยเป็นบาป ก, กรรม แต่นางทำไมจึงเป็นผู้มีปัญญาพระพระองค์บอกว่านางสมัยหนึ่งนางเป็นผู้ที่เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ทำอาหารถวายพระประเจกพุทธเจ้าเทนี้ทำตักอาหารร้อนๆใส่บาตพระปเจกพุทธเจ้ า, จ า, จ า, าก็ร้อน่ะร้อนมื อ, อนางคนที่ไหนนางคุกคุชานี่ เห็นว่าพระประเจกอุ้มบาดเหล็กน้ําร้อนนางก็เลยถอดกําไลแขนยื่นให้พ่อถวายพระพประเจกบอกว่าให้ลองให้ลองก้นบาดบริวารทั้งหลายก็ถอดอกําไลแขนเหมือนกันก็คงจะเป็นกำไลใหญ่พอสมควรให้ลองก้นบาทเพื่อไม่ให้มันร้อนนะนี่แหละอันนี้คือนางคนนี้ใช้ปัญญาอนถะวายพระประเจดพุทธเจ้านางจะเป็นผู้แตก แตกฉานในพระไตรปิดกพอได้ใช้สติใช้ปัญญาบำรุงพระปเจกพุทธเจ้านะใถ้าทำไมนางจะเป็นคนใช่พระสงฆ์ก็ถามสักสไซไลเลียงพระพุทธองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าทบอกว่าสมัยหนึ่งมีภิกษุณีท่านหนึ่งรู้จักมักคุณกับนะตระกูลของนางคุคุชานี่นะนางไปบวชก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต เต็มเป็นผู้มีแตกฉานด้วยปฏิสัมพิษพิทายาณอีกต่างหากวันหนึ่งท่านก็เลยอยากจะมาเยี่ยมนตระกูลของตัวเองที่เคยอยู่รู้จักมักคุณพอเข้ามาในานางคุคุชชาเนี่ยเป็นทิดากำลังแต่งตัวสวยกำลังส่องอยู่หน้าในกระจกพอนางพิกษนีเนี่ยขึ้นไปพอขึ้นไปก็ไม่มีลูกน้องบริวาร นางคู่ชุดชาที่จองกระจกไม่มีลูกน้องอก็เลยอยากจะได้กระเช้าเครื่องแต่งตัวที่ห่างจากตัวไปก็เลยบอกว่าพระแม่เจ้าขอหยิบกระช้าให้หูหน่อยนางภิกษุณีก็บอกอนางคู่ชุดชามาใช้เรามาใช้เราแต่ก็ถ้าเราไม่ไม่หยิบให้นางก็จะโมโหโกรธ ความโกรธนั้นน่ะนางจะไปตกนรกแต่ว่าเมื่อเราหยิบไปให้หยิบไปให้นางนางก็ได้ใช้แต่นางจะได้เป็นคนรับใช้คนอื่นตลอดนานเท่านานพราะกรรมที่ตนเองได้กระทาในครั้งนี้เอาเถอะอย่าไปถึงกระตกนรกเถอะเพียงแต่ใช้กรรมเป็นคนใช้คนอื่นก็ยังดีเนี่ยน่ะนางพิกษุดีท่านรู้อดีตอนาคตทั้งหมดท่านก็หยิบกระเช้า เครื่องแต่งตัวให้นางคุชุดชุดชานะที่หลังค่อมที่ว่าเนี่ยนางก็เลยได้ใช้กรรมตัวนั้นนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ท่านเน้นเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการทำกรรมไม่ใช่ทำเกิดมาในชาตินี้ชาติเดียวในอดีตแต่ชาติก็มีเพราะพระพุทธเจ้าได้ค้นคว้าศึกษา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 โซเฟอร์ออกจากรถคันนี้แล้วก็จะไปสู่ความทุกข์กยากลำบากนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานานๆหลวงพ่อจะพูดให้ฟังว่ากรรมกรรมคือการกระทำทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วกรรมชั่วจะทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะรถคง อยากจะให้หลวงพ่อหยุดมั่งพวกเรารับพ่อนนทกนีนทเนอะรถมันร้องแล้วพ่อหลวงพ่อพ่อว่างั้นนะ <laughs>